เมื่อวานพูดถึงการละกิเลสเนี่ยนะหรือที่เรียกว่าการละการมฉันทานิวรโดยนิยต่างต่าการละหรือการที่นิวรไม่เกิดเนี่ยนะมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งคือนิวรมันยังไม่ทันเกิดเท่านั้นเองเ น, นะบางคนเนี่ยนิวรไม่เกิดเพราะกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งข่มทับเอาไว้หรือคือเจริญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เช่นการปฏิบัติ การประพฤติวัดการเจริญสมถะการเจริญวิปัสนาการรักษาทุกองการก่อสร้างเป็นต้นนะกุศลธรรมเหล่านั้นนี่นนอุ้มเอาไว้อยู่นิวรณ์ทั้งหลายก็เลยยังไม่เกิดการมาฉันทะยังไม่เกิดทีนี้เมื่อไหร่ที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นละทิ้งกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วก็มามีอโยนิโสมณสิการเข้ า, านะนะก็เสียหายเนี่ยนะโดยมากก็ ทางศาสนานี้ถือว่าการศึกหาลาเพศคือการตายในศาสนานี้เพราะฉะนั้นเขาจะพูดถึงว่าไอ้จิตที่คิดจะศึกหรือเดือดร้อนอยากจะศึกเนี่ยถือว่าโป่วยหนักเต็มทีละไข้หนักมาละมา ง, งั้นเถอะแต่ถ้าศึกมาก็ถือว่าเลิกคุยกันเลยถือว่าตายละนั่ถือว่าการตายในศาสนานี้ทั้งก่อนพูดถึงผู้ที่เจริญกุศลธรรมนั่น นับตั้งแต่ข้อแรกคือการประพฤติวัดเนี่ยนะประพฤติวัดแล้วก็เจริญกุศลธรรมจนได้บรรลุมรรคผลเลยนี่กนะ็คื อ, คอไม่ละทิ้งนะนะปฏิบัติจนได้บรรลุมรรคผลอย่างที่สองก็ยกพระที่เรียนคำภีคือเรียนพระไตรปิฎกคือพระมาลัยเทวะเทระเนี่ยนะหรือพระมารยาเทระนี้ท่านก็เรียนคำภีด้วยแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติจนได้บรรลุมรรคผล อย่างที่สามพระที่รักษาทุดงนะนะเช่นพระมหาสิวเทระท่านก็รักษาทุดงแล้วก็ปฏิบัติภาคเพียรจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ในเรื่องของพระมหาสิวเทระเนี่ยนะมีหัวข้อที่น่าจดจําไว้อย่างหนึ่งเวลาชมเดือนนะนะเดือนงายนะนะเออศีลของเรากับเดือนเนี่ยไหนบริสุทธิก่ากันได้นะปารบสองอย่างนี้นู่นนะท่านก็ปารบเนี่ยนะว่าเอ๊ะ ดวงจันทร์นี่ก็ยังมีส่วนที่ด่างพร้อยใช่ไหมคือไม่ใสทั้งหมดอ่ะ น, นะแต่ว่าศีลของเราเนี่ยใสหมดเลยเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุจําเดิมแต่อุปสมบทอ่ะ น, นะถ้าอย่างพระมหาสิวะท่านบอกว่าตั้งแต่ท่านบวชเลยของเราก็ตั้งแต่สมาทานมายังไม่ขาดเลยอย่างเง้ย น, นะตั้งแต่ตั้งใจปฏิบัติก็ไม่ขาดเลยอันนี้ก็ผ่องใสละไอ้ความผ่องใสอันนี้แหละที่เรียกว่าปีติก่อให้เกิดปีติง่ายอ่ะนะ พอเกิดปีติก็ทำให้เกิดปสัสสัิสุขสมาธิผู้ที่เจริญสมถะวิปั ส, สนาเป็นอยู่แล้วก็เป็นพื้นฐานให้บรรลุมรรคผลได้เลยเพราะฉะนั้นพระมหาสิวะชมจันแล้วก็บรรุเป็นผ้าระหันเนี่ยนะสำนวนง่ายๆว่าชมจันแล้วบรรลุเป็นผ้าระหันแต่ว่าไอระหว่างนะั้นเนี่ยพระไตรวิฎกนะอยู่ไอระหว่างตรงนั้นนะ่ะเรียนกันยกใหญ่เลย คือวิธีขยายนั้นการการเดินเรื่องอธิบายธรรมะเนี่ยนะบางทีมันมีรายละเอียดด้านอื่นอน อ, นอีกเยอะแต่ว่าไม่จําเป็นต้องเอามากล่าวในที่ตรงนั้นทุกแง่ทุกมุมเนี่ยนะเพราะนั้นท่านจะเอามาเฉพาะส่วนที่ต้องการนําเสนอเท่านั้นเองตามหัวข้อที่ตั้งเอาไว้ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยที่เรียกว่าปกิ น, นกะเบตเเลททั่วไปจะไม่เอามาทั้งหมดยกตัวอย่างเช่น พระพุทธเจ้าบรรลุเนี่ยบรรลุโดยข้อปฏิบัติใดอนนะีทั่วไปบอกวิชาสามใชม่คือละลึกชาติได้เห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายทำอาสวะให้หมดเลยบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าโดยมากพูดวิชาสามย่อๆไว้อย่างเดียวแต่พอไปที่อื่นเนี่ยนะคำพีอื่นๆห ล, ลายๆแห่งจะพูดถึงว่าพระองค์เจริญที่ประจักษ์สุยังไงในระหว่างนั้น พองไปทำอะไรอีกบ้างไปคิดเรื่องอะไรอีกบ้างที่ที่เยอะแยะไปกว่านั้นอีกที่ที่ไม่ได้เอามากล่าวตรงนั้นนะก็จะพูดแต่หัวข้อบางอย่างที่ต้องการนำเสนอเท่านั้นเองจะไม่เอามาโดยสิ้นเชิงนะอย่างวิธีเจริญวิปัสสนาของพระพุทธเจ้าก็เอามาพอพอเป็นตัวอย่างหน่อยเดียวแต่วิธีเจริญของท่านเนี่ยเป็นล้านล้านในเนี่ยนะเป็นโกดในด้วยซ้าไปไม่ใช่ไม่ใช่ล้านนะเป็นล้านโกดในอ่นะเนี่ย วิธีที่ท่านไข้ค ร, ครวนี่กว้างขวางมากก็ดูที่สัมมาสนญญานของพระองค์นะนะหลายเป็นโกดในอ่ะในเทราคาถาพูดไว้อัตรกระถาเทระคาถาแสดงเอาไว้ทีนี้พูดถึงผู้ที่ข่มนิวรได้ด้วยสมาบัตินะแล้วก็ไม่ละทิ้งสมาบัติ อาศัยสมาบัติเจริญวิปัสสนาจนได้บรรลุมรรคผลอย่างพระมหาติสะใช่ท่านได้สมาบัติแต่ตั้งแต่พันษา8แล้วก็ข่มกิเลสไว้60สปีนี่นะตอนหลังท่านก็รู้ว่าท่านมีกิเลสก็เจริญวิปัสสนาแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยสำหรับที่ในยะที่หคือพระภิกษุที่เจริญวิปัสสนานี่ยนะ ผู้ที่เจริญวิปัสนานําหน้าเป็นหลักก็มีผู้ที่เจริญส ม, มถะนาหน้าเป็นหลักก็มีผู้ที่เจริญทั้งส ม, มถะวิปัสนาควบคู่กันไปก็มีผู้ที่เน้นวิปัสนามากๆเนี่ยนะในศาสนานี้โดยมากเน้นวิปัสนาอย่างเดียวเขาเรียกว่ากล um ok ุ่มสุขวิปัสสกคือกลุ่มเนี้จะเน้นการพิจารณาขันอาญตนะธาตุสัจอินทรีย์ปฏิจจะไปเลยโดยที่ ไม่ได้ไปมุ่งไปเน้นในการทําฌานให้ได้ก่อนไปทำอภิญญาให้ได้ก่อนจะมีภิกษุโดยมากไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างดูในสุสิมะสูตรในสังยุตติกายนิทานวัคว่าพระอริยะบุคคลหรือพระอรหันต์ทั้งหลายโดยมากเป็นปัญญาวิมุตติเนี่ยนะคือท่านเน้นในการพิจารณาขันธ์อายตนะธาตุหรือปฏิจจะเป็นหลักเนี่ยนะเพราะว่าจุดมุ่งหมายไม่ได้ต้องการได้ฌานเพื่อจะไปพรห ม, มโลกหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ท, ท่านคือท่านคิดว่าเวลามันสั้นเหลือเกินก็เรียบภาพเพียนพยายามที่จะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นพระบอกว่าพระ อ, องค์ตรัสอยู่เสมอว่าเธอทั้งหลายอย่าได้เสียใจในภายหลังเลยพุทธพจน์แบบนี้จะได้ยินบ่อยๆที่พระ อ, องค์บอกว่านั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนะอย่าได้เสียใจในภายหลังเลยเพราะอะไรเพราะตอนนี้พระาศาสดาอยู่พร้อมหน้า คำสอนอยู่บริบูรณ์สุขภาพของเธอก็ยังดียังไม่ป่วยไม่แก่ไม่เท่าอนะพอได้เวลาที่จะภาคเพียรพยายามปฏิบัติได้มันรีบเถอะว่า ง, งั้น อ, อย่าประมาทอย่าเสียใจในภายหลังเลยนะหรือไม่ก็ไปเสียใจในภายหลังว่าเอ้าอันนี้อายุมากขึ้นแล้วตอนหนุ่มๆก็ไม่รีบเจริญเอาไว้หรือว่าตอนพระพุทธเจ้าอยู่เราก็มัวแต่ขี้เกียจอย่างเงี้ยนะพอตอนนี้เข้าจะเอาที่พึ่งที่ไหนอย่างเงี้ยนะ มันก็อย่าเดือดร้อนใจในภายหลังพราะท่านเหล่านั้นก็จะภาพเพียรที่จะปฏิบัติธรรมอย่างไรที่จะสิ้นอาสะวะเร็วที่สุดเพราะเวลามันจํากัดเนี่ยนะเวลามันจํากัดพอท่านเลยพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าองค์นี้ไปก็รอไปอีกเถอะหนึ่งพุทธันดรนหนึ่งพุทธันดอนเดี๋ยวค่อยกล่าวต่อไปพูดถึงพิสูจนที่เจริญวิปัสสนานะข้อความในอังคุตระนิกายเอกานิบาตสูตรที่6หน้า69กล่าวว่า สำหรับพระพิสุบางรูปกระทําวิปั ส, สนากรรมฐานโดยในดังกล่าวแล้วนั่นแลกิเลสย่อมไม่ได้โอกาสเป็นอันขม่มกิเลสได้ด้วยอํานาจวิปั ส, สนานั่นแห ล, แลนะผู้ที่เจริญตีรณนะปริญญามากๆอ่ะนะเห็นอะไรอ น, นิจจโตทุกขโตโรโขโตมากๆตลอดเวลาอย่างนี้ถามว่ากิเลสเกิดไหมอ่ะ น, นะสาธยายเลยนะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรน่นะคือขี้แต่อย่างนี้นะรับอารมณ์ไหนเกิดขึ้นมาก็ช่างเถอะ อารมณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเวทนาจิตทำอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก็อนิ จ, จโจตโอทุกขตวัวนัตโตเนี่ยนะที่แต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ถามว่าอากุศลเขาจะเกิดไหมไม่เกิดเนี่ยนะเมื่ออกุศลเหล่านั้นไม่เกิดภิกษุนั้นก็ข่มกิเลสได้นั่นนะคลายกำหนัดแล้วก็สา ม, มารถที่จะยึดพระรหัตไว้ได้เหมือนภิกษุผู้เจริญวิปัสสนาประมาณ60สรูปในครั้งพุทธการ ได้ยินว่าพิสูจน์เหล่านั้นรับพระกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วก็เข้าไปป่าอันเงียบสงัดกระทำกรรมในวิปัสสนาแต่ไม่กระทำความพยายามเพื่อประโยชน์แก่มรรคผลคือหมายถึงว่าท่านเจริญวิปัสสนาโดยเฉพาะอนุปัสสนาทั้งหลายเนี่ยนะที่เป็นโลกิยะนะถึงระดับแม้กระทั่งสังขารุเปกขายานนั่นแหละ ท่านก็ไม่พอไปถึงระดับนั้นท่านก็ไม่คิดจะให้มรรคผลเนี่ยเกิดเพราะคิดว่านี่ก็น่าจะเป็นมรรคผลแล้วเนี่ยนะเพราะสำคัญผิดคิดว่านี่บรรลุแล้วเพราะกิเลสไม่ฟุ้งขึ้นก็คิดว่าเรานี่จะกราบทูลถึงธรรมะที่เราแทงตลอดแล้วแด่พระทศพนจึงมาเฝ้าพระศาสดาแต่ก่อนที่ภิกษุเหล่านั้นจะมาถึงพระศาสดาได้ตรัสกับพระอนนทเถระว่าอนนท ภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรจะมาพบเราในวันนี้เธออย่าให้โอกาสแก่ภิกษุเหล่านั้นเพื่อจะพบเรานะคือภิกษุเหล่านั้นถ้ามาถึงก็จะมาบอกว่าท่านบรรลุแล้วแต่ทีนี้ว่าจริงๆแล้วไม่ได้บรรลุเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งพบเราเลยว่างั้นพึ่งส่งไปว่าพวกท่านจงไปป่าช้าทิ้งศพดิบเนี่ยนะทำอสุภาภาวนาสดคือให้ไปดูศพที่เขาพึ่งทิ้งใหม่ๆเลยนะอ่ะนะเน้นประศบชนิดที่ว่าพึ่งทิ้ง คืออินเดียเนี่ยนะโบราณเขาก็ตายแล้วก็เอาไปทิง้งตายแล้วก็เอาไปทิงปท้งตายเย็นก็ไปทิง้งเย็นตายเช้าเอาไปทิ้งเช้าเนี่ยนะก็กลับมาก็รนดน้ําดําหัวล้างตัวให้สะอาดก็แค่นั้นแหละใช้ได้แล้วเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้มีงานอะไรแบบของเราหรอกเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่พระพิสุเหล่านี้มาจะเข้าเฝ้าพระองค์ก็บอกให้ไปดูศพก่อนนะเอะเมื่อสักสิบปีที่แล้วเนี่ยนะมี มีผู้ที่ไปอินเดียแล้วถ่ายรูปป่าช้าแบบนี้มาให้อยู่เหมือนกันอ่านะยังมีแต่ไม่รู้ว่ารัฐไหนที่ไหนไม่ทราบแต่มีพระพิสุเอารูปมาให้ดูว่าไปถ่ายที่อินเดียมาเมางนกนแต่นี้ว่าอินเดียที่เราไปมันนี่หน่อยเดียวนะที่ไม่ได้ไปมันเยอะกว่านะี <c oughs> ท่ทีนี้พระเทระคือพระอนุนก็บอกข่าวที่พระศาสดาสั่งไว้แก่พิสุที่มาแล้วเหล่านั้นพิสุเหล่านั้นก็คิดว่า พระตถ า, าคตไม่ทรงทราบแล้วคงไม่ตรัสชรอยจกมีเหตุในข้อนี้เป็นแน่เนี่ยนะดังนี้แล้วก็ไปยังป่าช้าศพดิบตรวจ ด, ดูอสุภาสดก็เกิดความกำหนัดขึ้นเนี่ยนะอาก็คือมันมีทั้งศพนมศพสาวศพสารพัดศพแหละว่างั้นเถอะบางคนเพิ่งตายสักไม่กี่นาทียไงใช่ไหมสำนวณว่ายังศพยังอุ่นๆอยู่เลยว่างั้นอาก็ก็เอาก็เห็นก็นึกชอบขึ้นมาจะว่าไง เพื่อนก็เกิดความสังเวชใจขึ้นว่าข้อนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงจะทรงเห็นเราแล้วเป็นแน่เห็นไคือนึกแหมเมื่อก่อนนี่มั่นใจมากว่ากิเลสยังไงก็ไม่กําเริบแน่นอนอย่างนั้นเถอะเพราะบรรลุแล้วพอไปเห็นเข้าจริงๆเอามันไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ลดเลยเพื่อนก็เริ่มกรรมาฐานที่ตนได้ตั้งแต่ต้ตตนนะคือกรรมาฐานเหล่านี้ก็ชํานาญอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่ได้ตั้งอุปนิสัยเพื่อให้ตรัสรู้อะไร พระศาสดาก็ทราบว่าพี่สูเหล่านั้นเริ่มวิปัสสนาที่เจรณ า, าถึงความไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยประทับนั่งที่พระคันธกุฏินั่นแหลได้ตรัสโอภาษัคาถาว่าคือพระองค์เนี่ยอยู่ที่กุฏิแต่ว่าเหมือนเหมือนไปยืนอยู่ต่อหน้าเนี่ยนะเหมือนไปนั่งอยู่ต่อหน้าเลยนะโดยโดยภาพที่โอภาษขึ้นก็ตรัสว่ายานีมานิอปัฏฐานิอภะลาภูเนวสารเถ กาโปกตานิอัตถีนิตานิทิสวานการติจะยินดีไปยายเพราะได้เห็นกระดูกที่มีสีเหมือนดังนกพิราบที่ใครๆไม่ปรารถนาเหมือนน้ำเต้าในสาระการฉนั้นนะไปยินดีในกระดูกทำไมวังนั้นแถอะนะไอ้กระดูกอันนั้นเหมือนกับน้ำเต้าไอกระโหลกน้ำเต้าแห้งๆอันอันยังยังชอบกระดูกอยู่หรือวังนั้นคำว่าจะยินดีไปทำไมก็บอกว่าก็เท่ากับบอกว่าให้ละไอความยินดีอันนั้นเนี่ยนะ เวลาจบคาถาภิกษุเหล่านั้นก็ดำรงอยู่ในพระอรหัตตผลภิกษุเห็นปานนี้ขมกิเลสได้แล้วด้วยอำนาจแห่งวิปัสสนาเป็นอันชื่อว่าขมได้แล้วโดยประการนั้นนั่นแล น, น, นะคือผู้ที่ศึกษาไม่ละเอียดนักเนี่ยจะงงเอ๊ะบอกพูดแค่นี้บรรลุแล้วหรือเนี่ย น, นะอย่าลืมว่าพระภิกษุเหล่า น, น, นั้นเนี่ยนะปะปริญญาท่านก็ท่านก็เจริญเป็นอัธยาศัยเป็นปกติ ตลอดเวลาของท่านอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่มุ่งที่จะให้ตัดฉันทราคาโดยเด็ดขาดเนี่ยนะพอได้ฟังพุทธพจน์บอกว่าจะยินดีไปยายในกระดูกที่มีสีเหมือนนกพิราบที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยนะก็เท่าก็บอกว่าตัดฉันทราคาเะเถอะเนี่ยนะบางแห่งขึ้นมาเลยบอกว่าท่านจงตัดความเยื่อใยเหมือนกับบุคคลเนี่ยถอนดอกบัวฉะนั้น น, นะตัดฉันทราคะในอุปท า, านขันห้าแบบนั้นนะ พันเวลาฟังจบท่านก็บรรลุเลยพรางั้นของเราก็พอเข้าใจบ้างก็ใช้ได้ละสังสมอุปนิสัยไปก่อนทีนี้อีกต่อไปว่าภิกษุบางรูปกระทำนวกรรมโดยในดังกล่าวแล้วนั่นแหลกิเลสย่อมไม่ได้โอกาสเป็นอันชื่อว่าท่านข่มกิเลสได้ด้วยอำนาจนวกรรมก่อสร้างก็ข่มกิเลสได้นะแต่ไม่ใช่ว่าก่อสร้างอย่างเดียวนะไม่ใช่ บอกว่าท่านทํากิเลสนั้นให้เป็นอันขมไปแล้วคลายกําหนัดได้แล้วย่อมยึดพระรหัสไว้ได้เหมือนพระติสเถระในจิตละบรรพศฉะนั้นนะ oh. แสดงว่าอยู่วัดเขาอ่ะนะจิตละบรรพศนี้เขายังไงไม่ทราบนะอ๋อเขามีบรรพศอยู่หลายแห่งนะที่ ท, ที่ที่นั่นนะนะแต่ว่าแต่ละเขาแต่ละเขาพระพิสูจน์ก็จะไปแบมเพนเพีย น, น, นกันซะเกือบทุกเขาเลยแหละ ได้ยินว่าในเวลาที่พระติดสะเทระนั้นได้แปพันสาเกิดความอยากจะศึกเนี่ยนะอันนี้พูดถึงความเป็นมาของท่านหน่อยท่านไม่อาจความบันเทาความอยากศึกนั้นได้ก็ซักย้อมจีวรปลงผมแล้วก็ไหว้อุปชายืนอยู่ลําดับนั้นพระเทระกล่าวกับท่านว่าท่านมหาติดสะอาการของท่านเหมือนไม่ยินดีหรือ น, นะพระที่ที่บวชมานานๆจริงๆนนะระดับหนึ่งเนี่ย พระองค์ไหนอยากจะสึกเนี่ยแค่ดูหน้าก็รู้ละเนี่ยนะรู้แล้วว่าองค์นี้อยากกะสึกหรือไม่อยากสึกเนี่ยนะอย่างไปเห็นพระไม่นานมาเนี้ยก็บอกว่า อ, อย่างนี้นี่อยากกะสึกแน่นอนเลยนะเพียงแต่ว่ายัางไม่พูดท่านเองไม่นานก็เปรย อ, ออกมาแล้วก็นะว่างอเงี้ยงอนเง้งเต็มทีแล้วเกือบพอจะหลุดอยู่เรื่อยเลยเพราะฉะนั้นท่านก็ทักเลยว่าเอ๊เหมือนจะไม่ยินดีหรือพิ่สุนั้นก็ตอบว่าครับท่านกระผมอยากกะสึก กระผมบรรเทามันไม่ได้พระธีรก็ตรวจอัธยาศัยของท่านเห็นอุปนิสัยพระรหัสนะอนะดูว่าเอ๊ะคนนี้มีอุปนิสยัยถ้าปฏิบัติถ้าเจริญภาคเพียรใบบรรลุหรือไม่นะดูแลก็รู้เลยก็กล่าวโดยความเอ็นดูคือกรุณาว่าผู้มีอายุพวกเราเป็นคนแก่ท่านจงสร้างสถานที่อยู่สำหรับพวกเราสักหลังนึงเถอะมานะอายุมากแล้วอยากได้ที่พักสักหลังนึงนะช่วยสร้างให้ที ภิกษุผู้ไม่เคยถูกใครพูดเป็นคำที่สองเนี่ยนะคือปกติเขาพูดคำเดียวกวารู้กันจึงรับว่าสาทุลำดับนั้นทเ ถ, ถระกล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าผู้มีอายุเมื่อท่านกำลังทำนวกรรมอย่าได้สละแม้แต่อุเทศอุเทศก็คือการสาทยายท่องบนพุทธพจน์เนี่ยนะจงมณสิกามพระกรรมฐานและจงกระทำบริกรรมกสินตามกาละอันสมควร นะคือเวลาก่อสร้างไม่ใช่ว่าโ อ, โอ้ก่อสร้างบ้างวันบ้งคืนไม่ใช่ให้แบ่งเวลานะว่าเวลานี้เวลาสาธยายรมเวลานี้เวลาก่อสร้างเวลานี้เจริญกสิณเนี่ยนะก็แบ่งเวล า, าพิสูจน์นั้นก็กล่าวว่ากระผมจักกระทำอย่างนั้นครับไหวพระเถระแล้วก็ตรวจดูที่อันเป็นเงื้อมเห็นป่านนั้นคิดว่าตรงนี้ทําได้จึงนําฟืนมาเผาชําระที่ให้สะอาดแล้วก็ก่ออิฐประกอบประตูและหน้าต่างทําที่เร้นเสร็จ พร้อมทั้งก่ออิดบนพื้นที่จงกรมเป็นต้นเนี่ยนะทำทั้งกุฏิด้วยทําที่เดินจงกรมด้วยนะก่อคันจงกรมเสร็จก็เอาทรายมาถมถ ม, ถมเป็นทางเดินจงกรมอะ่ะแล้วก็ตั้งเตียงและตั้งเอาไว้แล้วไปยังสํานักพระเถระไหว้แล้วกล่าวว่าท่านครับที่เร้นเสร็จแล้วโปรดจงอยู่เถิดเนี่ยนะท่านก็ท่านก็คิดด้วยจิตที่เป็นกุศลเน่ยนะนึกว่าสร้างให้อาจารย์อยู่อะ่ะอาจารย์พ่ะอาจารย์พูดเหมือนอยากได้กุฏิอยู่งนะั้นพระเถระ ก็กล่าวว่าผู้มีอายุท่านทำงานนี้ได้โดยยากวันนี้ท่านอยู่ในที่นี้เสียวันหนึ่ง น, นะก็ลองไปพักอยู่ก่อนนะบอกให้คนสร้างเละพักอยู่ก่อนพิสูจน์นั้นกล่าวว่าสาธุครับนะนะดีละมาจากวาสาทวนนะล้างเท้าแล้วก็เข้าไปยังที่เร้นนั่งสมาธิละลึกถึงกรรมที่ตนทำนันะนะเมื่อท่านคิดว่าการทำการขวนขวายด้วยกายอันเป็นที่ถูกใจเราก็ทาแกอุปชาแล้ว คือการงานที่ทำทางกายเนี่ยนะทำตั้งใจว่าจะบูชาอาจารย์ให้อาจารย์อยู่ก็ทำเสร็จแล้วปีติก็เกิดขึ้นในภายในนนะถามว่าเอ๊ะปารลบทากรรมด้วยกายนี่ยนะอันนี้ถามว่าเป็นกุศลประเภทไหนที่ก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยนะให้อาจารย์อยู่เนี่ยปารลแบบนี้เป็นกุศลประเภทไหนคุณนภา เป็นกายกรรมกายกรรมก็ต้องเป็นบุญเน่ยนะเป็นบุญประเภทไหนในบรรดาทานศีลภาวนาเป็นศีลกุศลนี่นะคือถ้าถ้าเป็นคนทั่วๆไปเนี่ยนะก็จะเป็นทานนักกุศลถ้าเป็นคนทั่วๆไปทําแต่อันนี้ท่านปารบจารีตนะนะสิทธิ์ที่ดีก็ควรทําเพื่อให้อาจารย์อยู่เป็นต้นก็เป็นกุศลประเภทศีลนั้นที่ท่านทําก็ทํำด้วยกุศลจิตจริงจริงนะก็เป็นศีลและกุศลแล้วท่านในขณะที่ ที่ทำงานอยู่ท่านก็ไม่ได้ผิดศีลพระผิดพระวินยัยเจริญทั้งอุเทศคือการสาธยายพระพุทธพ์ด้วยทากสินบริกรรมด้วยเนี่ยนะก็สรุปว่าเจริญทั้งสมถะวิปัสนาควบคู่กันมาตลอดในการเจริญกุศลครั้งนี้เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าแมมที่ทำหมดเนี่ยเป็นที่ถูกใจเหมือนกันปีติก็เกิดขึ้นในภายในเนี่ยนะดีใจอย่างเต็มที่เลยนะท่านข่มปีตินั้นได้แล้วเจริญวิปัสนา ก็บรรลุเป็นภ้าอรหรันอันเป็นผลอันเลิศเราทั้งหลายสงสัยว่าเอ๊ะขมปีตินี่ไปขมมันยังไงก็บอกว่าแค่เปลี่ยนเรื่องคิดนะมันก็ขมแล้วหรือก็คื อ, คอเอาปีติเละนั้นนะเป็นบาตรพิจารณาปีติ น, นะตามหลักการเจริญวิปัสนาเช่นปีติสัมโพชงเนี่ยนะนะว่าเมื่อปีติสัมโพชงมีอยู่ณาภายในจิตก็รู้ชัด น, นะปีติสัมโพชงไม่มีอยู่ณภายในจิตก็รู้ชัด ปีติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยประการใดก็รู้ชัดปีติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะบริบูรณ์ได้ด้วยประการใดก็รู้ชัดเนี่ยนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะแต่ทีนี้ว่าการเจริญไม่ใช่พิจารณาอย่างเดียวหรอกที่จะทําให้ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะไอ้คาว่าการบรรลุทั้งหลายก็คือการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะปีติเกิดขึ้นเห็นอริยสัจได้ยังไงเนี่ยนะเป็นกระทู้ที่เราควรเอาไปคิดต่อไปเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นก็ฝึกคิดตั้งกเรกล่ะไหมรับรู้อารมณ์อะไรแล้วก็ใคร่ครวนให้เป็นอริยสัจเอาไว้ก่อนเผื่อปีติเกิดขึ้นอาจจะแทงตลอดอริยสัจบ้างนะไหมแต่ไม่เคยคิดเรื่องอริยสัจเลยถ้าปีติเกิดแล้วจะทํำยังไงก็แมมยิ้มแย้มแจ่มใสแหมวันนี้ดีเหลือเกินเนี่ยนะปีติขนลุกเฉยๆเสร็จแล้วก็ไม่ได้อะไรนะก็ได้ปีติแล้วละพอท่านเจริญวิปัสสนาก็บรรลุอรหัตผล พิสษุเห็นปานี้ข่มกิเลสได้ด้วยอํานาจนวกรรมเป็นอันเชื่อว่าท่านข่มได้แล้วโดยประการนั้นเหมือนกัน น, น, นะก็อาจารย์บางท่านนั่นก็ฉลาดนะดูองค์นี้ไม่ไหวก็ใช้ให้ก่อสร้างซะเลยเน่ยนะนะแทนที่จะไปคิดเรื่องอื่นเนะนี่ยนะก็นั่นไปแบกอิฐแบกปูนไปเพื่อจะไม่เหนื่อยหน่อยอาจจะคิดได้ก็ได้ทีนี้ ร, รูปต่อไปว่าพิสูุบางรูปมาจากพรหมโลกเป็นสัตว์บริสุทธ์ กิเลสไม่ฟุ้งขึ้นเพราะท่านไม่มีอาสวะเนี่ยนะเป็นอันเชื่อว่าท่านข่มได้ด้วยอํานาจอืมเพราะท่านไม่ได้ทําอาเสวนะคือไม่ได้ซ่องเสพเอาไว้ก่อนคือกิเลสจะเกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วมันเกิดขึ้นพื่อพลาดขึ้นมาไม่มีปัจจัยนะคนที่เส้นเช่นว่าโลภะมันจะเกิดแสดงว่าก่อนหน้านี้โลภะก็เกิดมาแล้วเนี่ยนะ อย่างพร ะ, ะท่านยกตัวอย่างถึงพระมหากัสปะมาเนี่ยชาติที่แล้วกิเลสท่านไม่เกิดเลยอ่ะเพราะท่านอยู่พรหมโลกหการมาราคะท่านจึงไม่มีนะตลอดชาติเลยนะที่อยู่พรหมโลกกี่กี่ล้านปีนีก็้ท่านไม่มีการมาราคะเลยอ่ะแล้วก่อนที่จะไปเกิดในพรหมโลกต้องได้ฌานก่อนผู้ที่ได้ฌานนี้ต้องอัะนะั้นสงดจากกรมสงัดจากกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุ ป, ปถมฌานมีปีติสุขเกิดจากวิเวก เพราะฉะนั้นต้องสลัดกามได้ตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะเกิดพรห ม, มโลกแล้วเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้มาเนี่ยไม่เคยมีราค่าแบบนี้เกิดมาเลยเพราะฉะนั้นท่านเรียกว่าบริสุทธิ์โดยโดยพบว่า ง, งั้ น, น, นท่านก็เลยข่มกิเลสได้แล้วทีนี้เมื่อข่มอย่างนั้นก็สามารถยึดเป็นผ่ายึดผ้ารหัสเอาไว้ได้เหมือนท่านพระมหากัสปะฉะนั้นจริงอยู่พระมหากัสปะนั้นไม่บริโภคกรมทั้งที่อยู่ครองเรือน นะก็อย่างว่าท่านอยู่กับแม่บ้านของท่านนะนางพัตกาปิลานีก็เตียงเดียวกันแนะ่ะแต่ว่าเอาดอกไม้มาขั้นกลางไนวะ้เนี่ยนะแล้วก็นอนก็ไม่ได้ดูกันอะไรเราก็อยู่นั่นแหละก็จนกว่าพ่อแม่ตายหมดแล้วก็ออกบวช ด, ด้วยกันทั้งคู่ น, ะนะนั่นแหละเนี่ยนะแล้วก็สมบัติของท่านเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบที่ดินนะ้ท่านน่าจะมีที่ดินเท่ากันหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยนะเป็นจังหวัดใหญ่ๆเลยนะ มีสระน้ามีเหมืองมีกองทัพประจำตัวเลยนะมีกองทัพแบบย่อมย่อมรักษาอย่างดีหมดเลยเนี่ยนะก็เขาอาบน้ำเนี่ยเขาใช้ผงทองนะขัดตัวใช้ผงทองเนะี่ยขัดตัววันละเป็นทานานานานเนี่ยนะก็ใช้ผงทองวันละหลายกิโลเมตรนะ่ะมาขัดตัวนะแต่ก็ท่านก็สละออกบวช ท่านเห็นภาษาสดาเสดมาเพื่อต้อนรับในระหว่างทางถวายบังคมแล้วได้อุปสมบทด้วยโอวาทสามข้อเนี่ยนะโอวาทสามข้อก็คือข้อแรกก็ให้ไปตั้งความเคารพหรือตั้งฮิริโอตปะอย่างแรงกล้าในภิกษุทั้งสามปูนเนี่ยนะคือปูนปฐมอ่ปูนบวชใหม่ปูนปานกลางหรือบวชนานและให้ตั้งฮิริโอตปะตั้งความเคารพไว้อย่างแรงกล้านะอย่างที่สองบอกว่า ถ้าฟังธรรมะที่ที่เป็นกุศลเนี่ยให้ประมวลจิตทั้งหมดแล้วฟังถ้าถ้าใครกล่าวเป็นคำสอนน่ะนะถูกต้องอ่ะให้ประมวลจิตทั้งหมดแล้วฟังให้ฟังทมด้วยความเคารพข้อสบอกว่าไม่ละกายคตาสติเนี่ยนะไม่ละกายคตาสติท่านรับโอวาทสามข้อก็ปฏิบัติตามบรรลุเป็นผ้าหันพร้อมด้วยปฏิสัมพิธานในอรุณที่8เนี่ยนะ นะก็คือเช้า ว, วันของวันที่8ก็เป็นผ้าละหันท่านบอกว่าท่านเป็นนี่อยู่7วันเท่า น, นั้นเองคือท่านถือว่าไอการที่ยังไม่เป็นผ้าละหันฉันปัจจัย่ของชาวบ้านเรียกว่าเป็นนี่นะอันนี้อัธยาศัยท่านนะถ้าว่างี้ของเราก็บานเลยใช้ไม่หวัดไม่ไหว <c oughs> พิสุเห็นปานนี้ข่มกิเลสได้ด้วยอํานาจภพเนี่ยนะเพราะท่านมาจากที่ที่บริสุทธิ์เนี่ยนะเป็นอันชื่อว่าข่มกิเลสได้เหมือนอย่างนั้นเหมือนกัน อีกนนอันหนึ่งก็คืออีกในหนึ่งว่าภิกษุใดได้อารมณ์มีรูปเป็นต้นที่ตนไม่เคยได้เสวยคือเป็นสีที่ไม่เคยเห็นหรือเสียงที่ไม่เคยได้ยินเป็นต้นก็เริ่มตั้งวิปัสนาในอารมณ์นั้นนั่นเองคลายกำหนัดได้แล้วย่วยอมยึดผ้ารหันไว้ได้ไปเห็นอารมณ์ที่ไม่เคยมีกิเลสในอารมณ์นั้นมาก่อนของชาตินี่นะไม่ได้เอวัตตอันยาวนานา น, า น, นะเฉพาะชาตินี้ไปเห็นอารมณ์สักอย่างหนึ่งที่ตัวเองไม่เคยมีกิเลสในอารมณ์นั้นเลย ก็พิจารณาอารมณ์นั้นแหละเจริญวิปั ส, สนาจนได้บรรลุมรรคผลต่อไปเลยแต่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้ก็เจริญมาอย่างอย่างดีอยู่แล้วนะนการมาฉันท่าที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยอํานาจอารมณ์ที่ไม่เคยเสวยชื่อว่าไม่เกิดขึ้นแก่พิสุเห็นปานนี้บทว่าอุ ป, ปนโนในคำว่าอุ ป, ปนโนวาการมฉันโธไปหิยตินี้ได้แก่เกิดแล้วมีแล้วฟุ้งขึ้นแล้ว บทว่าปีญญาติความว่าท่านละได้ด้วยอํานาจปะหานะทั้งห้านะการละนิวรสูตรของเขาก็คือละด้วยปะหานะทั้งห้านะห่ตทางข้าประหารสองวิคัมพนะประหารสสมุทเฉทประหาร4ปฏิปัสสัที่ประหารแล้วก็หนิสรณะประหารตะทางข้าประหารก็คือวิปัสนานยวิคัมพนะประหารก็คือสมาบัตหรือสมถะ สมุตเชทประหารก็คือมักปฏิปสัสสต์ที่ประหารก็คือผลส่วนนิสรณะประหารก็คือพระนิพพานเนี่ยนะนันคำว่าละนิวรณ์ก็ละด้วยประหารทั้งห้าทั้งที่เป็นโลกิยะและเป็นโลกุตระ